เป็นที่บ่อเกิดที่เกิดของน้าอันนั้นก็คือฝนตก น, นะนะฝนมันตกเชอเดี๋ยวพายุลูกนั้นเข้าเดี๋ยวพายุลูกที่เข้าแผ่นดินไม่มีโอกาสแห้งเลยในที่สุดน้าก็รวมเข้ารวมก็เราไปออกไม่ทันท่วมก็มาจากตัวนี้เขาเรียกวอาวิโชคะคือความลืมหลงนี่เนี่ยประเด็นที่เราจะพูดกันก็คือความหลงลืมตัวว่าเมื่อเราหลงลืมปับ๊บมันก็เข้าไปเรื่องนั้น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 มันก็ได้ในส่วนที่ดีๆใช่ไหมบางคนเนี่เวลาไปเก็บผักผลไม้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นผักผลไม้ก็เรียกว่าหยิบใส่ตะกร้าหมดหูได้ไม้ลุงตุงนางหมดเลยแต่บางคนเลือกเอาส่วนที่มันดีๆส่วนไม่ดีไม่เอาเนี่ยเหมือนแกนตัวรู้สึกชัดๆเลือกเอาตัวชัดๆตัวที่ไม่ชัดสัดทิ้งไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องกังวลรีวิวใหม่สัมผัสใหม่